ธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราต้องรู้ก่อนว่าจะศึกษาไปทำอะไรธรรมะของพระเจ้ามันมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงตอบได้ชัดเจนทุกข้อเลยเราทำเพื่ออะไรก่อนก่อนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนปฏิบัติธรรมก็ต้องมี วัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันวัตถุประสงค์คือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเป้าหมายมีอยู่สี่เป้าเป้าที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันสองสามสี่ถึงพระอรหันต์ก็บรรลุวัตถุประสงค์หลักของเราวัตถุประสงค์นี่เป็นจุดที่เราต้องการไปจุดสุดท้ายเลยต้องการบรรลุถึง ก่อจะบรรู้ถึงจุดสุดท้ายก็จะมีเป้าหมายกําหนดเป้าตรงนี้มาตรงนี้ก่อนตรงนี้ไปตรงนี้ก่อนเป้าแรกก็เป็นพระโสดาบันทำไมเราต้องมีวัตถุประสงค์ว่าเราจะพ้นทุกข์สิ้นเฉิงทําไมไม่มีวัตถุประสงค์ว่าเราจะหาความสุขให้มหาศาลใครๆก็ปรารถนาความสุขนะแต่ศาสนาพุทธเนี่ยกับแปลกับสอน ให้เราแสวงหาความพ้นทุกข์เพราะว่าถ้าเมื่อไรถ้าพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป้าหมายของเราคือแสวงหาความสุขเราจะเที่ยวแสวงหาความสุขอยู่ในโลกเพราะเราไม่รู้จักสิ่งที่เหนือจากโลกไปเราก็จะหาความสุขไปตามความเคยชินของเราคิดว่าทําอย่างนี้แล้วจะดีทําอย่างนี้แล้วจะดีทําอย่างนี้จะมีความสุขคิดอยู่แค่เนี้ยคิดว่าจะทํำยังไงจะทํำยังไงเพื่อจะได้ดีมีความสุข ในความเป็นจริงในสายตาของพระพุทธเจ้าในสายตาของพระอราหันต์โลกนี้ไม่ได้มีความสุขงั้นเที่ยวสแสวงหาความสุขในโลกเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอที่ไหนก็มีความทุกอยู่ทั้งสิ้นเลยงั้นท่านเลยสอนให้เรียนรู้ทุกข์จกนกระทั่งมันพ้นจากทุกพ้นจากทุกข์พ้นจากโลกนั่นเองถ้าหลุดออกจากโลกได้จิตพ้นโลกไปที่เรียกว่าโลกุตะระโลกุตระคืออยู่เหนือโลก มันจะสัมผัสความสุขที่มหาศาลความสุขที่พลจากโลกไปดนั้นความสุขเป็นผลปล่อยได้แต่ไม่เสพหรอกนะจิตที่เข้าถึงความสุขของพระนิพพานนะไม่เสพพระนิพพานนะสัมผัสเฉยๆนะหมายรู้ว่านี้นิพพานแต่ไม่เข้าไปครอบครองเลยนะแค่รู้ว่าเป็นเนี่ยสภาวะที่สิ้นถูกอยู่นี่แต่ว่าไม่เข้าไปกําหนดไม่เข้าไปหมายอย่าว่าแต่จะเข้าไปครองเลยนะ แค่กำหนดแค่หมายยังไม่เป็นเลยพรนะพุทธเจ้าท้าไม่เริ่มต้นว่าให้หาความสุขแต่ความสุขเนี่ยจะเป็นผลปลอยได้จากการที่เรารู้ถูกแจมแจ้งจนจิตปล่อยวางโลกโลกนี่คือตัวทุกข์นี่คนทั้งหลายไม่เข้าใจตัวนี้คนทั้งหลายไม่รู้จักว่ามีสิ่งที่เหนือโลกขึ้นไปคนทั้งหลายก็เที่ยวแสวงหาความสุขอยู่ในโลกแล้วก็หาไม่ได้อย่างพวกเราสแสวงหาความสุขมาตั้งแต่เด็กตอนเด็กๆ เรามีเวลาว่างเด็กเดี๋ยวนี้ลําบากไม่ค่อยมีเวลานะถ้ารุ่นหลวงพ่อเนี่ยตอนเด็กเนี่ยมีเวลาว่างสุขภาพก็ดีนะแต่ว่าไม่มีสตังค์ไม่มีความสุขอยากได้อะไรต้องขอผู้ใหญ่เขาไม่มีความสุขเต็มที่เราก็คิดนะั่เรียนหนังสือจบไปแล้วทํางานได้เองพึ่งตัวเองได้เองที่มีความสุขพอเรียนหนังสือจบทํางานได้เองนะมีเงินใช้เองสุขภาพก็ยังดียงหนุ่มยังสาวแต่ไม่มีเวลา ในชีวิตจะกระพร่องกระแพงตลอดเวลาเลยบางคนหาเงินได้เยอะนะแต่ไม่มีเวลาใช้เงินบางคนสร้างบ้านไว้อย่างสุขสบายมากเลยนะเผื่อว่าอีกหน่อยจะมาอยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่สร้างบ้านไว้แค่นั้นนะนะเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขนะตอนเด็กๆมีเวลาหาความสุขนะสุขภาพก็แข็งแรงไม่มีเงินพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องขอเขาเขาไม่ให้ก็ไม่ได้ ในชีวิตมันไม่มีความสมบูรณ์สักช่วงเดียวนะพอเป็นหนุ่มเป็นสาวมีเงินใช้ของตัวเองได้ไม่มีเวลาทำงานหัวปักหัวปั๊ะพอจะกลับบ้านนะสมสานมาเหมือนนกปีกหักแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงสู้หัวนอนไปวันวันหนึง่งตื่นมามีแรงว่าบวยบินออกมาต่อสู้ใหม่สุดสศมกลับบ้านไปอีกขวนเวียนอย่างนี้ บางคนก็เก็บเงินไว้นะสร้างบ้านซื้อที่ซื้ออะไรเก็บให้เยอะเลยตอนแก่เลยมีเงินมีเวลาด้วยไม่ได้ทําอะไรแต่สังขารไม่ให้ล้วเนี่ยมความบกพร่องขึ้นมาอีกแล้วสุขภาพไม่ให้ล้วจะหาความสุขก็ได้ไม่เต็มที่ตอนเด็กหาความสุขได้ไม่เต็มที่น้ําเพึ่งตัวเองไม่ได้ไม่มีสตังใช้ตอนโตขึ้นมาอย่างหนุม่มอย่างสาวหาความสุขได้ไม่เต็มที่เพราะไม่ว่างตอนแก่นะ ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่ร่างกายไปไม่ไหวแล้วนชีวิตมนุษย์นะั้นมันเป็นอย่างนี้อยู่ทุกขั้นทุกตอนเลยแล้วเราก็หวังเราจะเต็มไปด้วยความหวังนะว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีความสุขทำอย่างนี้จะมีความสุขมันมีแต่คำว่าท่าแล้วก็คำว่าจะมีมีแต่คาว่าท่าแล้วก็จะมีมีเงื่อนไขตลอดเลยถ้าเรียนหนังสือจบก็จะมีความสุขเรียนจบล้วก็ไม่มีความสุข ถ้าได้งานดีๆทาจะมีความสุขคนได้งานทํางานเยอะแยะเลยนะมีความสุขนะนนนนะขนะแต่ซุดโสมไปเลยก็มนะีบางคนได้งานที่ไม่พอใจทํางานไปก็ทุกทรมานไปคิดนะว่าถ้ามีภรรยาสักคนจะมีความสุขกลายเป็นว่ามีทุกข์มากกว่าเก่าก็มีนะพวกเราผู้หญิงคนไหนแต่งงานแล้วมีไหมในเนี้ยอานเอามือลงถามนะแต่ไม่ต้องตอบ ตอบในใจพอมันมีความสุขเหมือนที่คิดไมื่ตอนแรกที่ว่าจะแต่งอย่าพยักหน้านะตอบในใจเฉยๆเดี๋ยวเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นเราคิดว่าเนี่ยถ้ามมีเมียสวยๆหรือมีสามีหล่อๆนะจะมีความสุขมันก็งั้นๆนะนะเสร็จแล้วมันก็ไม่สุขเท่าไหร่หรอกคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆจะมีความสุขมีเงินเยอะๆก็ไม่แน่ว่ามีความสุข เงินเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขนะมีชื่อเสียงมากๆมีชื่อเสียงก็ไม่แน่ว่ามีความสุขมีตําแหน่งก็ไม่แน่ว่ามีความสุขตําแหน่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อกันซื้อกันมากประมูลนะบางตแหน่งต้องประมูลแพงมากเลยซื้อมาต้องหาเงินถอนทุนจะได้เอาไปซื้อตําแหน่งที่ใหญ่กว่านี้อีกได้ตําแหน่งมาก็ไม่มีความสุขอีก ยังทุกสิ่งที่เราเที่ยวแสวงหานะเราหวังว่าจะมีความสุขหวังว่ามีความสุขสุดท้ายความสุขก็หลุดมือไปทุกทนะีมันท้าอย่างนี้จะมีท่าอย่างนี้จะมีแต่พอทำอย่างที่ท่านั้นแล้วมันก็ไม่มนะีมีก็มีสั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็หายไปแนละ้วความสุขเราเที่ยวแสวงหาความสุขนะวิ่งหาความสุขตลอดชีวิตแล้วเราหยิบมันมาไม่ได้ความสุขเหมือนเงานะ พลาดทิศอยู่ข้างหลังเราเงาทอดแปขงหน้าเราวิ่งไล่จับเงาของตัวเองวิ่งไล่จับความสุขแต่ก็จับมันไม่ได้เหมือนเหมือนจะได้แต่ก็ไม่มีอะไรว่างเปล่าไปทุกทีเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านเลยไม่ได้สอนให้เราเที่ยวหาความสุขเพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยมันอยากได้แต่ความสุขนะก็ดิ้นรนจ ะ, จะเอาจะเอาจะเอาแต่ท่านกลับพบว่ายิ่งเอามาก็ยิ่งมีความทุกข์ยิ่งมีก็ยิ่งทุกข์นะมีมากก็ทุกมากนะ มีภาระสิ่งที่ได้มาในโลกนะมันมักจะมีโทษเจืออยู่เรื่อยๆไม่ค่อยเป็นคุณอย่างเดียวหรอกคราวหนึ่งหลวงพ่อขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมนะมีเศรษฐีคนหนึ่งผู้หญิงเขาขนทู่เพื่อนไปเยอะมากเลยขนแบบใส่เข่งขึ้นไปนะตั้งสองสามเข่งเราก็นึกว่าโอ้คนนี้ศรัทธา จะเอาทูบมาถวายหลวงปู่เยอะอย่างนี้คงจุดทีเดียวนี้นะยุ่งหนีหมดเลยขนะองควันขโมงเลยแบบสมไล่ควายเลยเนะปล่ามาให้หลวงปูเ่เสกหลวงปู่เจ้าค้าช่วยเสกทูบนี้หน่อยเสกทําอะไรเอาให้คลังคลังจุดแล้วก็ลูกค้ามามากๆให้รวยจุดแล้วขอให้หนูรวยรวยรวยรวยเยอะๆหลวงปู่ก็ยิ้มรวยมากๆเดี๋ยวโจรมันก็มานะ เนะเนี่ยความสุขในโลกท่านสอนนะแต่ท่านไม่ได้สอนตรงๆอย่างหลวงพอ่อเราคิดว่าถ้ามีอะไรมากๆเราจะดีจะดีไม่ได้รู้ว่ามันมีโทษตามมาด้วยนะรวยมากๆเดี๋ยวโจรมันมาปล้นนะอุ้ยหลวงปู่อย่าพูดอย่างนั้นนะไม่ดีให้หลวงปู่ช่วยเสกทูบอีกหน่อยหนึ่งว่าไม่ให้โจรปล้นด้วยนะเนี่ยสิ่งในโลกนะที่เราหวังว่าจะได้มาแล้วจะมีความสุขนะมันจะเจือภาระเจอือความทุกข์เข้ามาด้วย มีแฟนเสียอิสรภาพไหมต้องสูญเสียบางสิ่งไปใช่ไหมมีลูกเสียไหมเสียอิสรภาพไหมเสียใช่ไหมมีตําแหน่งเสียไหมมีชื่อเสียงเสียไหมเสียนะมีทุกข์ตามมาตลอดเลยนะในโลกนี้สิ่งที่ได้มานะเจือทุกข์มาด้วยนะไม่ได้มาฟรีๆหรอกได้มาก็ยากนะพอได้มาแล้วจะไม่ได้มีความสุขแท้จริงอีก พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาเรียนรู้นะเรียนรู้โลกเรียนรู้ทุกข์ถ้าเราเข้าใจจริงๆแล้วว่าโลกนี้เป็นทุกข์ชีวิตนี้เป็นทุกขนะ์จิตจะปล่อยวางโลกจิตจะพ้นออกจากโลกคำว่าถ้าอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้แล้วจะดีจะมีความสุขเนะี่ยมันเต็มไปด้วยความอยากแค่มีความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้วนะันไงท่านเลยสอนให้ละความอยากีง อย่าไปทําตามใจอยากเลยทําตามใจอยากนะไม่พ้นทุกหรอกอยากเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทุกไปเรื่อยๆอยากทาบุญยังทุกเลยอยากทําบุญทุกไหมอยากทําดีก็ทุกใช่ไหมอย่าว่าแต่อยากทําชั่วเลยอยากทําดีก็ทุกนะความอยากเกิดขึ้นที่ไรความทุกเกิดขึ้นทุกทีเลยนี่เป็นกฎของธรรมะนะงั้นท่านเลยมาสอนให้เรามาเรียนรู้ความจริงทํำยังไงเราจะทําลายความอยากไปได้สอนให้ละความอยากเสีย วิธีทําลายความอยากของพระเทเจ้านะไม่เหมือนชาวโลกอีกชาวโลกมีวิธีทําลายความอยากเหมือนกันคนส่วนใหญ่หรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำลายความอยากด้วยการสนองความอยากอยากกินโอเลี้ยงแล้วไปกินโอเลี้ยงหายอยากไหมเออก็หายอยากใช่ไหมอยากกินทุเรียนได้ไปกินทุเรียนแล้วก็หาอยากอยากนอนอยากนี้พอได้มาแล้วก็หายอยากอยากถูกหวยก็ดีมกันใช่ไหมถูกแล้วหาอยากไหม ไม่หายอยากต่ออีกก็โกระบธก็วายนะเสียเงินเสียต่อต่อไปอีกบางอย่างก็หายบางอย่างก็ไม่หายอยากต่ออีกคือความอยากของมนุษย์ในโลกของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพอสนองความอยากได้อันหนึ่งนะจะเกิดความอยากอันใหม่ตามมาอีกไมนรู้จักจบจักสิ้นเหมือนคลื่นกระทบฟังใครเคยไปเที่ยวริมทะเลบ้างเห็นคลื่นซัดชายฝั่งไหมซัดทั้งวันทั้งคืนเลยนะลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างจิตของเราก็เหมือนชายฝั่ง ถูกคลื่นคือความอยากซัดบ้างลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างเวลาลูกเล็กๆมาเนี่ยก็กระทบกระทั่งนิดหน่อยความอยากรุนแรงมาก็กระทบกระเทือนรุนแรงในจิตใจเนะื ใ, นใจเราเต็มไปด้วยความอยากนะถ้าไงจะพ้นคนทั่วไปใช้วิธีสนองความอยากแล้วมันก็ไม่พ้นอันหนึงหมดไปอันหนึ่งก็มาทันทีเลยนะนั้นการที่จะตอบสนองความอยากเนี่ยนะไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกไม่ได้แก้ปัญหาถาบอ พระพุทธเจ้าเราเวลาแก้ปัญหานะแก้ถึงรากถึงโคนแก้แล้วแก้เลยแก้แล้วเด็ดขาดถาวรที่มาแก้ปัญหาแล้วก็มีปัญหาอีกถ้ามาแก้อีกอะไรนี้ใช้ไม่ได้ท่านเรียกว่าไม่เป็นสมุดเฉดประหารต้องเป็นสมุดเฉดประหารนะล้างแล้วล้างเลยไม่ต้องมาล้างซ้ําอีกนะดังนั้นวิธีแก้ความอยากด้วยการสนองความอยากเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องอะไรแต่ว่าสอนให้ทําเหมือนกันเช่นเวลาหิวใช่ไหมเวลาหิวก็ให่กินนะไม่ใช่ว่าไม่ให้กิน ร่างกายต้องการให้ให้กินง่วงก็ให้นอนได้แต่ถ้าขี้เกียจไม่นอนถ้าตะกระไม่กินอันนั้นทําตามกิเลสไม่ได้ตามตามความจำเป็นจริงๆไม่ให้นี่คนทั่วไปสนองความอยากแล้วมันก็ไม่หายอยากนะความทุกข์มันก็มาอยู่ตลอดเวลานักปราชญาบางคนก็เลยคิดว่าถ้าทําตามใจอยากนะมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาจริงงั้นต้องทรมานมันอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนนะอยากสุกอยากสบาย ทรมานร่างกายพระเจ้าเราก็เจ้าชายิทธัตถะก็ไปทดลองทรมานร่างกายนะั้นจริงๆก็คือทรมานจิตใจนั่นเองว่าจิตใจมันอยากให้ร่างกายมีความสุขไม่ได้ไปทรมานร่างกายเล่นๆหรอกทรมานก็เพื่อจะทรมานใจทรมานกิเลสหาทางสู้กิเลสหาทางละความอยากละตัณหานั่นแหละอยากกินกูไม่กินอยากนอนกูไม่นอนอยากสบายก็ทําให้ลําบากนะอยากอบอุ่นก็ทําให้มันหนาวอะไรอย่างนี้นะ อยากเย็นเย็นจะทำให้มันร้อนแกล้งมันตลอดปรากฏว่าวิธีทรมานวิธีแกล้งนี่ก็ไม่ได้ล่าความอยากจริงไม่ได้ลาความอยากจริงความอยากก็เกิดขึ้นตลอดเวลาไป็นทรมานร่างกายความอยากก็ยังเกิดอีกเพราะอะไรเพราะความอยากไม่ได้อยู่ที่ร่างกายความอยากอยู่ที่จิตต่างหาเพราะมันเป็นทรมานร่างกายนะไม่ได้แก้อะไรที่จิตเลยความอยากมันอยู่ที่จิต นท่านก็เลยค้นพบทางสายกลางนะการปฏิบัติของจิตของใจนี่เองมาฝึกอบรมจิตนะการฝึกอบรมจิตนะั้นมีคนทํามาก่อนพระเทเจ้าอีกคือ พ, พวกฤาษีชีไฟเนะีฝึกอบรมจิตให้สงบนะให้จิตสงบให้จิตว่างนะาก็กําหนดลงไปถึงขนาดว่างไม่มีอะไรเลยนะสุดท้ายพอจิตถอยออกจากสมาธิมันก็กลับมามีอีกมาทูกอีกเจ้นะชาชายสิทธัทตถะตอนอกจากวังก็ไปฝึกฤาษี ฝึกจนเข้าฌานที่แปดได้พอเข้าฌานที่แปดได้อาจารย์ก็บอกจบหลักสูตรแล้วละ่ะท่านไม่พอใจเพราะท่านรู้ว่าพอออกจากฌานนะความทุกข์ก็เกิดอีกเนื่งเพราะงั้นการฝึ ก, กจิตนะในระดับที่ฝึกให้สงบเนี่ยก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่พระพุทเจ้าต้องการนะการการตามใจกิเลสก็ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้แก้ความอยากนะการฝืนมันทรมานร่างกายนะก็ไม่ได้แก้ความอยากเพราะความอยากเกิดที่ใจ การไปทําความสงบนะแบบดูสีชีพไร่เนี่ยฝึกเข้ามาที่จิตที่ใจแล้วก็ไม่ได้แก้ความอยากอีกก็ไปติดในความสุขความสงบอีกพอจิตเสื่อมจากความสุขความสงบนะจิตก็ฟุ้งซ่านมีความทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยท่านคนพบการฝึกจิตฝึกใจที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยคนศาสนาอื่นไม่มีนะ ไม่มีในคำสอนที่อื่นมีแต่ในคำสอนของผู้ทีเจ้าเรานี่เองการเจริญปัญญาที่ไปเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจความจริงก็คือการเรียนรู้โลกนั่นเองถ้าเรียนรู้โลกแจ่มแจ้งนะจิตจะปล่อยวางโลกเป็นโลกุตตระโลกุตตะระว่าเหนือโลกมันโลกะโลกะคือโลกอุตระอุดอนเหนือโลกอย่างที่อุดอนี่ทเหนือ โลกุตระก็คือเหนือโลกท่านมองโลกโลกมีสองส่วนนะโลกภายในโลกภายนอกโลกภายนอกอย่างที่เราเห็นนี่ส่วนโลกภายในเราเนี่ยกายนี้ใจนี้นะเป็นโลกท่านนิยามคาว่าโลกไปนะคำว่าโลกกับอิทูรู้โลกย้ำแจ้งคาว่าโลกเนี่ยตัวสำคัญที่สุดเลยโลกคือรูปกระนมคือกายกับใจเรานี้เองอันนี้ต้องดูจากสติปัฏฐานในสติปัฏฐานนะพูดถึงโลก เขาบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติวินัยยะโลเกอพิชชาโทมานัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้คําว่าโลกเนี่ยคือรูปเปน็นน้ตัวนี้ก็เป็นโลกเป็นรูปเั็นน้ำโลกข้างนอกก็เป็นรูปเป็นน้ำใช่ไหม เวลาเรียนรู้เนี่ยไม่ต้องไปเรียนรู้โลกข้างนอกนะตัวที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดก็คือโลกข้างในเรียนรู้ตัวเองนี่เองถ้าเราไม่ยึดตัวเองเมื่อไหร่เราจะไม่ยึดโลกทั้งโลกและจักรวาลทั้งหมดเพราะมนุษย์ทั้งหลายหรือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกถ้าเราทําลายศูนย์กลางนี้ได้นะไม่ยึดถือในศูนย์กลางของโลกคือตัวเราเองได้นะจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกนะแต่ถ้าเราไปพิจารณาของข้างนอกนะ พิจารณาว่าคนนี้ไม่นานก็ตายคนนี้ไม่นานก็ตายแต่ฉันไม่ตายด้วยหรคนอื่นมันตายไอ้นอนก็ไม่เที่ยงไอ้นี่ก็เป็นทุกข์นี่เป็นอนัตตาแต่จิตฉันเนี่ยเที่ยงมีความสุขสว่างสวัยบังคับได้จะเข้าใจผิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่จะจัดการนะเจริญปัญญาเนี่ยน้อมกลับเข้ามาน้อมกลับเข้ามาเรียนรู้โลกภายในนะมาดูตัวเองเพราะเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางของโลก เพรานัมาดูตัวนี้ถ้าเราปล่อยตัวนี้ได้เนี่ยโลกทั้งโลกจะหลุดออกไปทั้งหมดเลยเคยเห็นเขาขาย้ลูกโป่งไหมลูกโป่งที่ลอยได้ลูกโป่งสวรรค์อะไรนะเดี๋ยวนี้ยังมีไหมยุคนี้ยังมีอีกทำไมมันเล่นกันโบราณโบราณไม่เลิกสันทีนะแต่อีโคมลอยอะไรนี่เลิกซะนะมันจะเผาบ้านเผาเมืองนะเลิกเล่นได้ละไม่มีประโยชน์เลยนั้นสมัยโบราณปันเมืองว่างๆเวลาเขาขายลูกโป่งสังเกตไหมเขารวบไปที่เดียวใช่ไหม ถ้าเขาคุมลูกโป่งได้หมดเลยเนี่ยเรารวบลงมาที่รูปนามนี่นะมันจะไปยึดโลกทั้งหมดได้ด้วยนะมันยึดตัวเองก่อนนะถ้ามันก็จะยึดสิ่งอื่นตามมาพอมีเรามีเขามันจะยึดต่อไปเรืนะ่อยๆทีแรกก็มีตัวคนเดียวนะแต่มามีคนในบ้านมีครอบครัวอยากใหญ่บางคนอยากใหญ่ในบ้านพอไปอยู่ในที่ทํางานใหญ่ขึ้นไปอีกนะอยากใหญ่ในที่ทํางาน อยากเป็นผู้ว่าเป็นผู้ว่าแล้วอยากเป็นประหลัดกระทรวงเป็นประลัดกระทรวงอยากเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นนายกอีกเป็นนายกอยากเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีอยากเป็นเจ้าโลกอีก่ไปเรื่อยๆถ้ามีดาวพังคานมันก็จะไปใหญ่ที่โน่นอีกมันออกไปจากตรงกลางนี้เองออกไปจากความยึดในตัวในตนนี้เองงั้นพระพุทเจ้าเนี่ยสอนให้เราน้อมกลับเข้ามานะ โอปัายิโกน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองเคยได้ยินไหมครับว่าโอปัญายิโกสวดมนต์บ้างเปล่าสวากขาโตพระควาตาธรรมโมพระธรรมที่ผู้เจ้าแสดงไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเห็นตามได้ไม่ใช่เรื่องลึกลับนะอาการลิโกไม่จำกัดด้วยเวลานะอาการลิโกแล้วอะไรเอฮิปสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะเป็นคาท้าทายนะไม่ใช่ชวนให้เชื่อนะมาลองดูเถอะมาลองดู มาลองปฏิบัติดูวิธีปฏิบัติทําไงนะโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองแล้วปัจจตังเวทีตับโฟวินยูหิวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองนี่คําท้าทายนะบทธรรมคุณนี่หลวงพ่อชอบมากเลยเป็นคําท้าทายแต่คนที่กล้ารับคําท้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีน้อยนอย น, อยนะมีแต่พวกปอบแปะปอบแปะอยากจุดทูบแล้วบรรลุมรรคผลอย่างนั้นนะนะงั้นย้อนกลับมาเรียนรู้ตัวเองนะ เรื่องงานหลักของเราละชาวพุทธตัวของเราเองทำไมเราเรียนไม่ได้เพราะว่าเราลืมตัวเองตลอดนี่คือจุดอ่อนนะจุดอ่อนอันแรกเลยคือเราทิ้งตัวเราเองตลอดเวลาพอลืมตาตื่นแล้วก็ดูคนอื่นพอใจมีความรู้สึกขึ้นมาก็คิดถึงสิ่งอื่นลืมตัวเองตลอดเวลานะใจนี่หนีล่องลอยไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลานะกลางวันก็คิดนะกลางคืนก็ฝันก็ไหลไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนั่นเอง ในขณะที่เราคิดไปเราฝันไปเนี่ยเรามีกายเราลืมกายเรามีใจเราลืมใจงั้นศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะของการที่จะมาเรียนรู้ตัวเองหรือการทำวิปัสสนาเนี่ยก็คือการลืมตัวเองใจลอกลอยไปนี่ศัตรูเบอร์หนึ่งศัตรูเบอร์สที่ทำให้เราเรียนรู้ตัวเองไม่ได้ก็คือการบังคับกายบังคับใจเข้าไปแทรกแซงมันร่างกายเคยหายใจสบายๆก็หายใจให้ผิดปกติเคยเดินสบายๆก็เดินให้ไม่เหมือนปกติ เดินย่องย่องย่องทําอะไรก็ผิดปกติไปหมดจิตใจเคยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็ไปบังคับให้มันนิ่งพวกที่ติดส ม, มถานะที่เอหาก็นั่งสมาธินี่<ะ>ชอบไปบังคับนะีจิตนิ่งๆพอลืมขึ้นมาตากวางๆนะอีกพวกหนึ่งก็ไปดัดแปลงมันนะไปน้อมจะให้มันละท้อละทวยคิดว่ามันจะสงบพอตาลืมตาขึ้นมาก็อย่างเงี้ยตาปล่อยๆออกมานะติดออกมา พวกนี้จเจริญวิปัสนาไม่ได้เพราะไปดนะัดแปลงกายดัดแปลงใจวิปัสนากรรมฐานคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าใจลอยไปก็ลืมกายลืมใจเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้นะถ้าไปแทรกแซงดัดแปลงกายดัดแปลงใจก็จะไม่เห็นความจริงของกายของใจอย่างเราไปเพ่งอยู่ที่จิตนะจิตจะนิ่งนิ่งว่างๆไม่แสดงไตรลักหรอกงั้นศัตรูเนี่ยมีสองตัวเท่านั้นเองนะ ย่อหย่อนเกินไปก็คือลืมกายลืมใจตึงเครียดเกินไปก็คือบังคับกายบังคับใจเนี่คือความสุดตรงสองด้านที่ทําให้เราหลุดออกจากทางสายกลางนะถ้าเราอยู่ในทางสายกลางคือรู้สึกรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกถึงกายรู้สึกถึงใจเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจนะแค่รู้สึกแล้วก็เห็นความจริงของกายของใจไปนี่คือวิธีเรียนรู้ของพระพุทธเจ้าเรียนรู้ด้วยการสังเกตการ เราเป็นตัวเรียกว่าเป็นอ b s e r v e r เป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตกายสังเกตใจดูมันทํางานไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจได้นะจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเห็นความจริงแล้วจะยึดไม่ลงจิตจะวางเองนะถ้าเห็นความจริงแล้วยึดไม่ลงเลยร่างกายนี้ไม่ได้ดีวิเศษอะไรอย่างที่เราคิดเลยที่เราหวงแหนร่างกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์นะ หายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกยืนก็ทุกเดินก็ทุกนั่งก็ทุกนอนก็ทุกนะหิวก็ทุกเนียอิ่มก็ทุกอีกนะหนาวก็ทุกร้อนก็ทุกนะเต็มไปด้วยความทุกข์เลยเนี่ยดูลงมาในร่างกายนะเต็มไปด้วยความทุกข์นะรักไม่ลงนะรักไม่ลงทุกปัจเนี้ไม่ยอมดูก็เลยรักลงถ้าดูเข้าไปจริงๆแล้วรักไม่ลงหรอก ดูตัวเองนะไม่ดูคนอื่นนะดูคนอื่นเดี๋ยวกิเลสเกิดว่ามันยังสวยอยู่อะไรเงี้ยอีกคนนี้เหี่ยวแล้วเราไม่ดูดูคนนี้อะไรเงี้ยมันหนีไปเรื่อยๆถ้ามาดูตัวเองต้องมาดูตัวเองแล้วจะรักไม่ลงมาดูจิต ด, ดูใจแล้วก็จะเห็นเลยมีแต่ของไม่เที่ยมีแต่ของแปรปรวนวิ่งหาความสุขแทบตายเลยความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปวิ่งหนีความทุกข์แทบตายเลยอ้าวความทุกข์อยู่เฉยๆก็หายไปได้เหมือนกันทั้งๆที่ไม่ได้ทําอะไรมันก็หายได้เหมือนกัน วิ่งจะเอาดีนะดีก็ไม่ค่อยมาวิ่งหนีชั่วชั่วก็มาบ่อยไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยการที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะเรียกว่าเห็นอนิจจังเปลี่ยนอยู่ตลอดการที่เห็นว่ามันบังคับไม่ได้เรียกวเห็นอนัตตาอย่างกายเนี่ยจะเห็นทุกขังชัดกายนี่มีแต่ความทุกนะแล้วก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอนัตตาไม่ใช่คนออเป็นวัตถุ ถ้าดูจิตดูใจจะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดแนละ้วเห็นความเป็นอนัตตาในแง่ที่บังคับไม่ได้นะคําว่าอนัตตามีหลายนัยยะนะหลายความหมายมีทั้งห้าความหมายคําว่านัตตาอันะนี้พอมาเฝ้าดูเฝ้าดูไปเรื่อยเห็นนะร่างกายนี้ไม่น่ารักไม่น่าหวงแหนเต็มไปด้วยทุกข์จิตใจนี้เที่ยวดิ้นรนหาความสุขก็ไม่ได้มาสติดิ้นหนีความทุกข์ก็มีแต่ทุกข์อีกในะจบังคับไม่ได้ พอมันยอมรับความจริงได้นะยอมรับความจริงของกายได้มันจะปล่อยวางความยึดถือกายพอมันยอมรับความจริงของใจได้มันจะปล่อยความยึดถือใจเมื่อปล่อยวาง ก, กายปล่อยวางใจได้เนะี่ยจิตจะหลุดออกจากโลกทันทีเลยตัวเรายังอยู่กับโลกนะแต่จิตในกับโลกเนี้จะพลากออกจากกันแยกออกจากกันเด็ดขาดเลยแล้วมันจะสัมผัสกับความสุขชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลก นะความสุขของเราเนี่ยเป็นความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยกระทั่งฌานสมบัตินะเนี่ยอิงอาศัยสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยแต่นิพพานนั้นเป็นความสุขอยู่ในตัวของมันเองเราแค่เข้าไปเห็นเฉยๆเองเข้าไปไปรู้ไปเห็นไปสัมผัสนะก็ได้รับความสุขอันมหาศาลนั้นมานะจิตนั้นเป็นตัวทุกข์อยู่นะนะพอสัมผัสพ่านิพพานก็<ม>จะรับความสุขนะเป็นบรมสุขตรงที่พ่านิพพานปรากฏขึ้นแล้วน่ะ งัท่านไม่ได้สอนให้หาความสุขนะแต่ท่านสอนให้พ้นทุกข์ให้พ้นทุกข์ให้ดับทุกข์พ้นทุกข์ก็คือพ้นโลกพ้นจากกายจากใจจากรูปจากนามนี่เองพอพ้นปุ๊บนะกลับได้เจอความสุขวิ่งหาความสุขไม่เจอความสุขรู้ทุกข์กลับเจอความสุขที่แท้จริงนะนี่เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะไปกินข้าวนี้เห็นมีคนที่ไม่เคยฟังมาเยอะเหมือนกันนะเลทเทศง่ายหน่อย